ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวินัยะสังหะอัตถคถาพระสารีบุตรมหาเถระชาวศีลังการเจนาพระมหาอาคมธรรมาคโมคแปลเรื่องที่ยี่สิบสองปปัปชาวินิชยกถาคถาวินิจฉัยว่าด้วยเรื่องของการบวชต่อ ก็ถึงเรื่องของผู้ที่เป็นเทยสังวาสเพื่อความไม่งมงายในเทยสังวาสเพื่อความไม่งมงายในเทยสังวาส ก, กาธิการนี้ก็คือเรื่องของผู้ที่เป็นเทยสังวาสคือเป็นผู้ที่รักสังวาสพึงทราบบทปกินกะอย่างนี้ว่าชนใดถือเพศในาศาสนานี้เพราะราชภัยทุกพิษภัย กันดารภัยโรธาภัยและเวรีภัยก็ดีเพื่อจะนำจีวรมาก็ดีชนนั้นมีจิตใจบริสุทธิ์ยังไม่รับสั่งวาดเพียงใดชนนั้นบัณฑิตยังไม่กล่าวว่าเป็นคนเถอยยะสั่งว่าเพียงนั้นก็คือเอาจีวรเนี่ยมานุ่งมาหม่มเพราะว่ากลัวราชภัยคือภัยจากพระราชาทุพิก่ภัยก็ดีไม่มีผ้าไม่มีอะไรเลยเจอจีวรก็เลยเอาจีวรมานุ่งหม่ม แล้วก็กันดารภัยโรครภัยหรือว่ากลัวอันตรายจากเวรีชนผู้ที่มีเวรเนี่ยนะก็เอาจีวรมาห่มทําเป็นพระวิจุเขาก็จะได้ไม่ค่าแต่ว่าไม่รับสังว่าคือเอ็นพระวิจุแล้วก็ไม่นับพรรษาแล้วก็ไม่เข้าไปร่วมอุโบสถตระนาต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็ยังไม่จัดว่าเป็นคนเถื่อยยัดสังว่าเพียงแต่ว่าเขามีเหตุที่จะต้องเอาจีวรมานุ่งห่มเพิงทราบในพิจาราในคาถานั้นดังต่อไปนี้ พระราชาในโลกนี้ย่อมเป็นผู้เกลี้ยต่อบุรุษบางคนบุรุษนั้นคิดว่าความสวัสดีจะมีแต่เราด้วยอุบายอย่างนี้แล้วถือเพศเอาเองทีเดียวนี้ไปจนทั้งหลายพบเขาแล้วปราบทูลแด่พระราชาพระราชาทรงบรรเทาความเกลี้ยโกรธเขาเสียด้วยทรงพระดาริว่าถ้าบวดแล้วเราไม่ได้เพื่อจะทำอะไรเขาแต่เขายังมิได้เข้าสู่ถ้ำกลางสง แต่ถือเพศกระหัดแล้วจึงมาด้วยคิดว่าราชภัยของเราสงบแล้วเิี่ตุทั้งหลายควรให้เขาบวชถ้าแม้เขาเกิดความสังเวชว่าเราได้ชีวิตเพราะอาศัยพระศาสนาเอาเธอบัดนี้เราจะบวชละดังนี้มาในเพศนั้นเองแต่ไม่ยินดีอาคันตุกะวัดก็คือเขาจะมากราบไหว้ก็ไม่ยินดีนะอันเิกตุทั้งหลายถามแล้ว ก็ตามไม่ถามก็ตามได้ชี้แจงตนตามความเป็นจริงก็จะถามหรือไม่ถามก็แล้วแต่ก็เข้าไปกระบอกกับผมไม่ใช่เดินพระมิจูดนะครับแต่ว่าผมเอาชีวรนมาหอมเพราะว่ากลัวราชภัยแต่ว่าตอนนี้ผมจะขอบวชนะก็มาก็ขอบรระชารีสุดทั้งหลายพึงปลดเพศแล้วจึงให้บวชก็คือเอาชีวร อ, ออกเสียแล้วก็ให้จีวรใหม่นะผู้ที่จะเป็นอุปชาก็เอาชีวอนให้แล้วก็ให้บวชทํากรรมวาจา แต่ถ้าเขายินดีวะแสดงท่าทางดังบรรพชิตก็คือจะสวมรอยละปฏิบัติวิธีต่างๆโดยการ น, นับพรรษาเป็นต้นซึ่งกล่าวแล้วในหลหลังทั้งหมดผู้นี้ไม่ควรให้บวชถ้ารู้ทีหลังก็ต้องให้ศึกเหมือนกันอันหนึ่งคนบางคนในโลกนี้ไม่สามารถจะเป็นอยู่ได้ในคราวทุกพิกภัยก็คือตอนที่ข้าวยากหมากแพง จึงบวชเอาเองบริโภคอาหารที่ก็จัดไว้เพื่อนักบวชผู้เจ้าลัทธิทั้งปวงครั้นทุกพิกภัยผ่านพ้นไปแล้วยังไม่ได้เข้าสู่ถ้ำกลางสง์ต่อถือเพศกระหัตแล้วจึงมาคําที่เหลือทั้งหมดเช่นกลับด้วยคําซึ่งกล่าวแล้วกล่าวมาก่อนนั้นแลก็คือถ้าเ้าถือเพศกระหัตมาแล้วมาขอบวชก็ให้บวชได้แต่จะเกิดสมรอยก็คือนับพรรษาโกง แล้วก็ยินดีข้อวัดเข้าร่วมสังฆกรรมต่างๆอันนี้รู้ที่หลังก็ต้องให้ศึกไปเป็นเทย่าสังวาสอีกคนหนึ่งเป็นผู้ไขจะข้ามกันดานใหญ่และพ่อค้าเกวียนย่อมพาบรรดชิตทั้งหลายไปเขาคิดว่าด้วยอุบายอย่างนี้พ่อค้าเกวียนจะพาเราไปจึงถือเพศเอาเองร่วมกับพ่อค้าเกวียนข้ามทางกันดานถึงส่วนอันกเกษมแต่ยังไม่ได้เข้าสู่ท่ามกลางสง์ ต่อถือเพศกระหัตแล้วจึงมาเนื้อความทั้งปวงเช่นกับความที่กล่าวมาก่อนนั่นแหลก็คือถ้าเป็นเพศกระหัตมาแล้วมาขอบวชบวชให้ได้แต่ถ้าเกิดยังสวมชีวร อ, อยู่แล้วก็มายินดีข้อวัดปฏิบัติเหมือนพระภิจุอันนี้คารุที่ร่ำก็ต้องให้ตึกก็ ว, ว่าเป็นเทยัดสังวานแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเขาจะไปกับพวกกุียนนั้นแล้วก็รู้ว่าพวกเกวียนนั้นที่จะพาไปเฉพาะพระพิจุเท่านั้นก็เลยไปขอบวชจริงๆ แล้วก็ไปอันนี้ก็เป็นพระวิตริจริงๆแล้วไปถึงที่อันกเกษมแล้วจะศึกอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่ได้ผิดอะไรคราวหลังมาบวชอีกก็ได้แสดงว่าเขาไม่ได้มีความจริงใจในการจะบวชเพื่อปฏิพฤติภมัจจันจริงๆต้องการในกา ร, ารจะฟร้อนจากอันตรายเท่านั้นอีกคนหนึ่งเมื่อภัยคือโรคเกิดขึ้นไม่สามารถจะเป็นอยู่ได้จึงถือเพศเอาเองบริโภคอาหารที่เขาจัดไว้เพื่อนักบวชผู้เจ้ารับทิศท้งปวง เมื่อภัยคือโรคสงบแล้วยังไม่ได้เข้าสู่ถ้ำกลางสงก่อนต่อถือเพศกระหัสแล้วจึงมาเมื่อความทั้งหมดก็เป็นเช่นกับคำซึ่งกล่าวมาก่อนนั่นแหละคนคู่เวรคนหนึ่งของบุรุษอีกคนหนึ่งเป็นผู้โกรธปองจะฆ่าเขาเที่ยวไปเขาคิดว่าด้วยอุบายอย่างนี้ความสวัสดีจะมีแก่เราจึงถือเพศเอาเองแล้วหนีไปคนผู้คู่เวรสืพาดูว่าเขาไปไหน ได้ยินว่าเขาบวชแล้วหนีไปจึงบรรเทาความโกรธในเขาเสียด้วยคิดว่าเขาบวชแล้วเราก็ทำอะไรเขาไม่ได้เขายังไม่ได้เข้าสู่่าำกลางสงกรอนถือเพศกระดักแล้วจึงมาด้วยคิดว่าเวรีภัยคราลสงบแล้วเนื้ความทั้งหมดก็เป็นเช่นกับคำซึ่งกล่าวมาก่อนนั่นแหลเพราะฉะนั้นสมัยก่อนนี่เวลาที่มีภัยอันตรายจากคนคู่เวหรือจากพระราชา ต, ต่างๆนี้เขาก็า นิยมบวชเหมือนกันเพราะว่าคนทั้งหลายในอดีตเขาก็มีความเคารพบรรพชิตพอสมควรพอรู้ว่าไปบวชเขาก็เลิกจองเวรก็ให้อภัยกันอีกคนหนึ่งไปสู่สุญญาติลาสิขาเป็นครห์หัดแล้วนี่หมายถึงว่าเคยเป็นพระวิจุกระดอนก็ไปสู่สกุญญาติแล้วก็ลาสิขาเป็นครห์หัดแล้วมาทําในใจว่าจีวรเหล่านี้จักชิบหายเสียที่นี้ ถ้าแม้เราจับถือจีวรเหล่านี้ไปวิหารแม้ระหว่างทางชนทั้งหลายจับจับเราว่าเป็นโจรอย่าง ก, การะนั้นเลยเราพึงทำให้เป็นของอันกายพึงรักษาไว้จึงไปเถิดอันนี้ก็คุณจะศึกใหม่ๆกันทิศแต่ว่าจเจ้าจีวรเนอี่ยไปคืนที่วิหารไปคืน์นพระพิจุแต่ถ้าเกิดถือไปใครๆก็จะเข้าใจว่าเป็นโจรลักจีวรมาเพราะฉะนั้นพมจีวรเลยึ่อหัวก็ยังกินเปลียนวน แต่ว่าสมัยก่อนนี่เขาไว้ผมได้สองนิ้วหรือว่าสองเดือนเท่านั้นสองนิ้วก็ยาวมันก็ห่มชีวรไปเลยดังนี้เพื่อจะนำชีวรมาจึงนุ่งและผมแล้วไปวัดที่อยู่พวกสา ม, มเณรและทิตุหนุ่มทั้งหลายเห็นเธอมาแต่ไกลแล้วก็พากันตรงเข้าไปต้อนรับแสดงวัดเธอไม่ยินดีชี้แจงตนตามเป็นจริง ท่าที่สุดทั้งหลายกล่าวว่าบัดนี้พวกเราจะไม่ปล่อยท่านไปละเป็นผู้ไขจะให้บวช ด, ด้วยพร ะ, ะการเธออันที่สุดทั้งหลายพึงเปลื้องผ้าอาศายะแล้วจึงให้บวชอีกแต่ถ้าเธอคิดว่าที่สุดเหล่านี้ไม่รู้ข้อที่เราเวียนมาเพื่อความเป็นคนเลวแล้วดังนี้จึงปฏิญญาความเป็นที่สุดนั้นนั่นเองปฏิบัติวิธีต่างด้วยนับปัญญาเป็นต้นซึ่งกล่าวแล้วในหนังทั้งหมด ผู้นี้ไม่ควรให้บวชก็คือเกิดจิตกัตถนาลามกตัวเองสึกไปแล้วเป็นกดหัดไปแล้วคือเวียนมาเพื่อความเป็นคนเลวหมายถึงเป็นขดหัดและคือสึกนั่นเองเพราะฉะนั้นมีพิสูจเหล่านี้ไม่รู้ว่าเราสึกแล้วไม่รู้ว่าเราเวียนมาเพื่อความเป็นคนเลวแล้วก็ให้นับรรษานับภรษาโกงยินดีในข้อวัดต่างๆอันนี้เป็นผู้ที่ถือย่าสังวาสคนนี้รู้ที่หลังก็ไม่ควรให้บวช สามเณรโค้งอีกรูปหนึ่งสามเณรโค้งก็หมายถึงสามเณรที่มีอายุมากแล้วแต่ว่าไม่บวชพระก็บวชเป็นเนนอยู่อย่างนั้นแหละเรียกว่าสามเณรโค้งสามเณรโค้งอีกรูปหนึ่งไปสูตรกุญญาติาศึกแล้วเป็นผู้เบื่อหน่ายด้วยการทําการงานจึงคิดว่าปัจบันนี้เราจะเป็นสามเณรอีกเที่ยวอันนี้ก็สามเณรที่เกี่ยวทํางานก็เลยจะบวช น, นะแม้พระเถียระย่อมไม่ทราบความที่เราศึกแล้ว จึงถือเอาบาตและจีวร น, นั่นเองไปวิหารไม่บอกเนื้อความนั้นแก่เที่ยงตุทั้งหลายปฏิญญาความเป็นสนัมมณีนผู้นี้เป็นเทียะยัสังวาสเหมือนกันเป็นเทียะสังวาสเหมือนกันอันนี้ไม่ใช่เฉพาะลักความเป็นพระพิสุเท่านั้นแม้ความเป็นสนัมเณีเรียกว่าเทยะสังวาสเหมือนกันถ้าพร้อมเป็นพระพิสุเอาจีวรมาห่มแล้วก็นับพรรษาทำสังฆกรรมต่างๆนี้ก็เป็นเทยรสังวาสแม้สัมเณีบอกว่าตนเองเป็นสนัมเณี เป็นข้อหักแต่ว่าปลอมเป็นสา ม, มนเณรก็คือถืออัจิวรมาแล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นสามเณรหรือว่าเคยเป็นสา ม, มนเณรมาก่อนแต่ว่าสึกไปแล้วแล้วก็ไม่มีใครรู้ยังคงเอาจีวรมานุ่งห่มแล้วบอกว่าตนเองเป็นสามเณรอยู่ก็เรียกว่าเป็นทยัดสังวาสเหมือนกันย่อมไม่ได้บวชอีกถ้าแม้ในเวลาถือเพศเขามีความราพึงอย่างนี้ว่าเราจับไม่บอกแก่คใครๆดังนี้แต่เขาไปวิหารแล้วย่อมบอก ด้วยการถือเพศในขณะแรกนั่นเองเขาก็เป็นคนถือยะสังวาาอันนี้ขึ้นอยู่กับเจตนาแรกนะว่าตอนที่เขาศึกไปแล้วแล้วก็ขณะที่เอาจีวรมาจะมานุ่งหกมีความคิดว่าอย่างไรถ้าคิดว่าเราจะไม่บอก ใ, ใครเราก็จะมุบบิดก็คือแล้วเขามาถามเราเราก็บอกว่าเราก็เป็นสำมานเรนอยู่เรามีบรรษาเท่านั้นตอนนี้บวชมากี่ปีแล้วแต่กวามจริงแล้วศึกไปแล้ว ถ้าตั้งใจอย่างนี้แล้วก็ไปถึงวัดแต่ว่าก็ถามไปถามมาก็บอกว่าผมศึกไปแล้วนะตอนนี้ผมจะมาบวชใหม่อันนี้ก็เป็นคนถือย่สังวาไปแล้วก็ไม่ได้บวชถ้าแม้ในเวลาถือเพศเขามีความคิดเกิดขึ้นว่าเราจักบอกแต่ไปวิหารแล้วแต่ใครปราศัยว่าผู้มีอายุท่านไปไหนมาคิดว่าเดี๋ยวนี้ชนเหล่านี้ไม่รู้เราจึงลวงไม่บอกแม้ผู้นี้ก็ชือว่า คนถือยักสังวาสแท้พร้อมกับทอธุระว่าเราจะไม่บอกทีแรกก็ตั้งใจว่าจะบอกว่าศึกไปแล้วนุ่งห่มจีวรมาด้วยแต่ว่าพอมาถึงแล้วคนนั้นชวนคุยไปชวนคุยมาก็ไม่มีใครรู้นี่ว่าเราศึกก็เลยไม่บอกขณะที่ตัดสินใจว่าไม่บอกนี้ก็เป็นคนถือยักสังวาสเหมือนกันให้ศึกไปจะรู้ที่หลังว่าให้ศึกไปไม่ให้บวช ด, ด้วย แต่ถ้าถึงในเวลาที่ถือเพศเขามีความคิดเกิดขึ้นว่าเราจับบอแม้ไปวิหารแล้วย่อมบอผู้นี้ย่อมได้บรรชาอีกเห็นไหมว่าถ้าเกิดเป็นสำมเนินเ น, นี่ยนะก็จะใช้จับว่าบรนชาลใจถ้าเป็นสำ ม, มนเนินจะใช้จับว่าบรรชาแต่ถ้าเป็นพระภิกษุก็จะใช้ศับว่าอุปสมบทก็หรือว่าสำ ม, มนเนิหนุ่มอื่นอีกเป็นคนใหญ่แต่โง่ไม่ฉลาดสำ ม, มนเนินหนุ่มแล้ว ก็อายุเกินยี่ติดไปแล้วล่ะแต่ว่าไม่ฉลาดเลยเธอศึกแล้วโดยในก่อนนั่นแหลไม่อยากทํากิจมีการเลี้ยงโคเป็นต้นในเรือนญาติทั้งหลายให้เขานั้นนุ่งห่มผ้ากาสายะเหล่านั้นเองแล้วให้ภาชนะหรือบาทในมือขับออกจากเรือนว่าเจ้าจงไปเป็นสมณะเถิดนี้ก็ การที่คนที่ต้องการที่จะออกจากวัดตัดทุกข์เป็นคนขยันหมั่นเพียรแต่ว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาให้ไปบวชอันนี้ก็น่าจะสมกับเหตุผลหน่อยว่ามาบวชแล้วก็จะได้ประพฤติสมณกิจสมณะธรรมแต่วันนี้ก็ขี้เกียจขี้ขามขี้เกียจทํางานเป็นคนโม้ข่าวด้วยแล้วก็ไล่ให้มาบวชนี่ไม่ค่อยเหมาะสมเลยไม่ได้ทําให้ศาสนานี้จเจริญขึ้นแต่ว่าศาสนานี้ก็เป็นที่พึ่งพาของสัพพะสัตว์ทั้งหลาย เพราะฉะนั้นใครจะโง่ใครจะฉลาดก็แล้วแต่ก็เข้ามาบวชในศาสนานี้ได้แต่ว่าถ้าใครประพฤ ต, ติตามใจศีกขาตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก, ก็จะเป็นความเจริญงอกงามของบุคคลนั้นเองแล้วก็ทําให้ศาสนาเจริญงอกงามด้วยแต่ถ้าใครเข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้วหวังที่จะกอบโงยหวังที่อยู่เป็นสุขก็เป็นผู้ที่เข้ามาเสวยความสุขอยู่ๆกินๆไป น, น, นอนๆไปก็ ทำให้เกิดทุกขโทษกับตนเองแล้วก็ทำให้าศาสนาเสื่อมโทรมด้นะสำเนนหนุ่มที่เป็นคนโง่ขรับนี่ขี้เกียจทำงานพวกยากทั้งหลายก็เลยให้เอาจีวรนเอาภาชนะเอาบาศใส่ในมือมาแล้วก็บอกไปบวชเป็นสมณะไปเขาก็ไปวิหารทิ่จุทั้งหลายไม่ทราบเขาเลยว่าผู้นี้ศึกแล้วบวชเอาเองอีกทั้งตัวเองก็ไม่ทราบว่าผู้ใดบวชอย่างนั้นผู้นั้นต้องเป็นคนที่ชื่อว่าเทยะสังวา คือไม่รู้เลยไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าญาติทั้งหลายไล่มาให้มาวัดตัวเองก็ไม่รู้ว่าสึกไปแล้วนี่ต้องมาบวชใหม่ถือที่วอนเองนุ่งผมเองอย่างนี้พี่จะเรียกว่าเทียสังวะก็ไม่รู้เลยเพราะว่าตัวเองโง่เขานะถ้าพิกูจุ์ทั้งหลายให้เขาผู้มีอายุครบยี่สิบอุปสมบทก็คือบวชเป็นครบเขาก็เป็นอันอุปสมบทดีแล้ว แต่ถ้าในเวลาที่ตนยังเป็นอนุสัมบันฑนั่นเองเมื่อการวินิจฉัยวินัยเป็นไปอยู่เขาได้ฟังว่าผู้ใดบวชอย่างนั้นผู้นั้นย่อมเป็นคนที่ชื่อว่าเถยยะสังวาเขาพึงบอกแก่ที่สุดทั้งหลายว่าข้าพเจ้าได้ทําอย่างนั้นด้วยประการอย่างนี้เขาย่อมได้บัญชาอีกถ้าไม่บอกด้วยคิดว่าบัดนี้ใครๆไม่รู้เราเลยพอทอดทุระเท่านั้นเขาย่อมเป็นคนเถยยะสังวา อันนี้ก็ยังมีอั น, นิสง์ความโง่อยู่บ้างนะคือถ้าโง่แล้วไม่ได้มีเจตนาในการที่จะรักสังว่าก็คือไม่ได้คิดในการที่จะโกงเพียงแต่ว่าเมื่อเป็นสำมานเรนแล้วก็ศึกไปแล้วพวกร่ายเข้ามาให้มาอยู่วัดแต่ว่าก็ยังไม่คร บ, 20, ครบ 18, ยี่สิบอายุสิบแปดสิบเก้างเงี้ยก็มาอยู่วัดเสร็จแล้วอายุครบยี่สิบเขาก็เลยบวชให้พอบวชให้ก็เป็นพระภิกษุก็เป็นพระภิกษุจริงจริง แต่เมื่อไหร่ถ้าเกิดมีการเรียนมีการศึกษาหรือว่ามีใครบอกว่าถ้าเกิดสัมมนเนนเนี่ยสึกไปแล้วแล้วก็ถือเอาจีวรมาบวชเองเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นสั ม, มนเนนก็ไม่เป็นพระพิสูจน์ด้วยอันนี้ต้องไปบอกว่าผมเนี่ยถืออย่างนั้นผมสึกไปแล้วแล้วผมก็ถือจีวรมาบวชเองถ้าไม่บอกนึงถือว่าเป็นเทย่าสังวาสโดยต้องให้สึกแต่ถ้าบอกไม่ต้องสึกเป็นพระพิสูจนเพราะว่า เขาไม่ได้มีเจตนาในการที่จะรับสังว่าเพยงแต่ว่าไม่รู้ด้วยความโง่เขลาภิกษุลาสิกขาละเพศแล้วทำทูตศีลกรรมก็ตามไม่ทำก็ตามปฏิบัติวิธีต่างด้วยนับพรรษาเป็นต้นซึ่งกล่าวแล้วในหลังทั้งหมดย่อมเป็นคนเทยสั่งว่าก็คือเป็นพระภิกษุแล้วก็ลาสิกขาแล้วละละเทศแล้วเปลี่ยนจีวรไปเป็นกระหับแล้ว ถึงแม้จะเป็นเสดกรามเสดเมตุนหรือว่าไมเสดเมตุนก็ตามแต่ว่าตอนหลังก็เอาจีวรมาห่มอีกแล้วก็ปฏิบัติวิธีด้วยการนับพรรษาก็เป็นเถทยะสังวาสแต่ว่าไม่เป็นปา ร, ราชิกก็ว่าเขาลาสิกขาไปแล้วถ้าเกิดไปเสดเมตุนไม่เป็นปา ร, ราชิกถ้ากลับมาแล้วก็มาขอบวชเนี่ยได้แต่ถ้าเกิดนับสังวาสก็คือจีวรมาห่มเองเลยเนี่ยนะเมื่อมีคนรู้ก็ต้องให้จึกแล้วก็กลับมาบวชไม่ได้อีกแล้ว ก็ไม่ได้ลาศิกขาคงตั้งอยู่ในเพศของตนแล้วเสษเมถุนใช้วิธีต่างด้วยนับพัญษาเป็นต้นไม่เป็นคนเถอยยะสังว่าย่อมได้เพียงบัญชาก็คือบวชเป็นธรรมเนนได้นะตรงนี้พิจรารณาหน่อยนะว่าถ้าไม่ได้ลาศิกขาเลยคือยังเป็นกระปิสุไสจีวอนอยู่แต่ไปเสษเมถุนกับสตรีก็ขาดเป็นความเป็นพระ แล้วก็ใช้วิธีต่างด้วยนับปภรษาเป็นต้นก็คือบวชมากี่ราษาแล้วก็นับปรรษาอย่างนั้นนะนะอันนี้ไม่เป็นคนเทยักษังว่าแต่ว่าขาดจากความเป็นพระพิสุแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องสนัะความเป็นพระภิสุไปได้เพียงบรรดาชาเป็นสามเณรเท่านั้นอันนี้เพราะว่าเขายังรักชีวร อ, อยู่เขายังรักเพศของบรรดาเชตอยู่ก็เลยไม่เรียกว่าเป็นคนเทยักษังว่า เพราะว่าก็ยังมีส่วนของความเป็นสมณะอยู่ก็ยังไม่สละความเป็นสมณะ ม, นมณะันก็บวชเป็นธรรมเนจรได้รปัญญานะแต่ในอันทกัตอัตตกถาแก้ว่าผู้นี้เป็นคนเทยัสังว่าคํานั้นไม่ควรถือเอาอันนี้อันทกัตอัตตกถานี้ก็ไม่รู้ใครแต่งมาแต่ว่าความเชื่อถือนั้นน้อยที่สุดที่เชื่อถือก็มีอะไรบ้างมหาอัตตกถา นะแล้วก็มหาปัญจรีแล้วก็กุรุนทีสามคำพีอัตถกาตาสามคำพีเนี่ยนะก็น่าเชื่อถือหน่อยแต่ก็ต้องดูว่าขัดกับพุทธพจน์หรือเปล่าถ้าขัดกับพุทธพจน์หรือว่าขัดเหตุผล น, นั้นก็ต้องพิจารณาเหมือนกันเพราะว่าต้องเอาพุทธพจน์เป็นเกณฑ์ที่สุตรรูปหนึ่งยังมีอุตสาหะในภาคการสายะก็คือยังห่วงภ้าการสายะอยู่นี้นะนุ่งผ้าขาวแล้วเศษเมทุน กลับนุ่งผ้ากาสายะอีกใช้วิธีทั้งปวงตานด้วยนับปรรษาเป็นต้นแม้พิสูุนี้ย่อมไม่เป็นคนเถือยัสังว่าย่อมได้เพียงบรรชาก็คือไม่เป็นพระพิกูจนแล้วไม่เป็นบระพสูแล้วก็จะมาบวชเป็นพระพิสูจไม่ได้เพราะว่าต้องปราชิตไปแล้วแต่ว่ายังมีอุตสาหะในผ้ากาสายะกลัวว่าเดี๋ยวไปเศษเมทุนแล้วมันจะแปะเปื้อน ผ้ากาสายะทำให้เสื่มเสียผ้ากาสายะซึ่งเป็นทกทงชัยของพระราชนี้เพราะฉะนั้นก็เก็บผ้ากาสายะอย่างดีเลยแล้วก็เผ้าขาวมนุ่งเสร็จในตูลเสร็จเียบ้ยแล้วก็เอาผ้ากาสายะนั้นมาห่มอีกอันนี้ถึงแม้จะนับรรษาต่างๆก็ไม่เป็นคนถยะสังวาตเพราะว่ายังรักในเพศของบรรชิตอยู่แต่ว่าเป็นบรราชิตแล้วก็ได้เพียงบรรดาชาเป็นสมเด็เท่านั้น แต่ถ้าทอดธุระในผ้ากาสายะแล้วก็คือโอ้ผ้ากาสายะนี้ไม่ได้มีความสําคัญอะไรกับเราเลยแต่ไปนุ่งข่มผ้าขาวแไปนุ่งผ้าขาวแล้วก็เสดเมถุนกลับนุ่งผ้ากาสายัณฑ์อีกใช้วิธีมีการนับพรรษาเป็นต้นเขาย่อมเป็นคนเถรยะสังว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับความรู้สึกนึกคิดหรือว่าเจตนาในขณะนั้นนะนะว่าถ้าเปลืองผ้ากาสายะออกแล้วนี่นะมีเจตนาอย่างไร ให้ความสําคัญเห็นคุณค่าของผ้าการสายะนี้ไหมถ้าไม่เห็นคุณค่าไม่ให้ความสําคัญกับเทพบรรจิตรสลกผ้าการสายัไปก็ไปนุ่งขาวแล้วก็เสพเมถุนก็เป็นประดาชิกไปเลยแต่ว่าถ้าสลกผ้าการสายัไปแล้วก็ไม่ได้ไปเสพเมถุนไปนุ่งขาวเท่านั้นเนี่ยต้องอาบัตแค่ทุกกฎไปนุ่งผ้าของกัตัะต้องอาบัตทุกกฎเท่านั้นเอาผ้าการสายัมานุ่งห่มอีกก็ไม่เป็นไร แต่ว่าต้องอบับทุกกฎไม่ขาดจากความเป็นพระแต่ถ้าเป็นภิกษุณีนี่เป็นนุ่งผ้าขาวแล้วก็ยินดีในผ้าขาวเนี่ขาดจากความเป็นพิสุณีเลยนะของภิกษุณีนี่จะเป็นผู้ที่เข้มขัดก็คือสิกขาบทนี้จะเข้มกว่าของพระพิสูจน์ของพระพิสูจน์นี่อบับทุกกฎของพิสุณีอบัตกปา จ, จิตตีเช่นของพระพิกษุ น, นี่ถ้าจอดรองเท้ากั้นร่มเข้าในรั้วบ้านนี่อบัตทุกกฎ แต่ของพี่สุนีนี่สวมรองเท้ากันร่มนี่ต้องบัดไปัจจตตีเลยก็มีหลายคติธราบท ม, มากของพระพิกษุทุกกฎแต่ว่าของภิ่สุนีก็บัดไปจิตตีผ้าทิกซุทอดุระในผ้าการสายะไปนุ่งห่มผ้าขาวแล้วก็เศษเมถุนกลับมานุ่งผ้าการสายะอีกใช้วิธีนับภาษาเป็นต้นย่อมเป็นเถยะสังวา่าไม่ได้กลับมาบวชอีกรู้ก็ต้องให้ศึกไป สามเณรคงตั้งอยู่ในเพศของตนแม้ล่วงธรำทําให้เป็นผู้มิใช่สมณะมีเมตุนเป็นต้นแล้วย่อมไม่เป็นคนเถยรยสังวาถึงหากว่ายังมีอุตสาหะในผ้ากาสายะแต่เปลื่องออกเสียเศเมตุนแล้วกลับนุ่งผ้ากาสายะอีกไม่เป็นคนเถยรยสังวาสเหมือนกันเพราะว่ายังมีอุตสาหะในผ้ากาสายะอยู่เพราะฉะนั้นเป็นประชีพชั่วคราว ถ้ามาขอบวชอีกก็ยังบวชได้นเป็นสมณีนไปเพราะว่าของสมเณีเนี่ยสิทธาบทห้าข้อแรกเนี่ยนะถ้าไปร่วงก็เป็นประชีพหมดนะก็คือฆ้าสัตว์แม้บีพวกไข่เหาพวกเลือดสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยตายตัวเดียวก็ขาดจากความเป็นสมเณีแล้วก็ต้องขอสัตนาคมและศีลใหม่แต่ว่าถ้าสิกขาบทห้าข้อหลังเนี่ยนะ ก็ยังไม่ขาดจากความเป็นสมณี น, นก็ให้ทําทันตกรรมก็คือลงโทษให้ไปตักซายตักน้ำพวกนี้แต่ิกาบทห้าข้อแรกเนี่ยตั้งแต่ฆ่าสาดติวทั้งถึงดึ่ตัวราเมีไปนี่ก็ทําให้ขาดจากความเป็นสมณี น, เ, นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเสดเมทุนก็ขาดจากความเป็นสมณี น, นแต่ว่ายังอุตสาหะในผ้ากาสายะอยู่นี่ก็กลับมาบวชเป็นสมณี น, นอีกได้ไม่เป็นเถริยะสังว่าแต่ถ้าทอดทุระในผ้ากาสายะแล้ว เป็นผู้เปลยหรือว่านุ่งผ้าขาวเป็นผู้ไม่ใช่สมณะด้วยการเศษเมถุนเป็นต้นแล้วกลับนุ่งผ้ากาสายะเขาเป็นคนถืยักขังว่าเพราะว่าท่อธุระในผ้ากาสายะแล้วกลับมาบวชเป็นสา ม, มเณรก็ไม่ให้บวชอีกแล้วถ้าสา ม, มเณรปรารถนาความเป็นครหัตจึงนุ่งผ้าอย่างครหัตทําผ้ากาสายะจงกระเบนก็ดีด้วยอาการอย่างอื่นก็ดีเพื่อลองดูว่า เพศกระหัตของเราสวยหรือไม่สวยยังรักษายอยู่ก่อนก็คือทดลองดูเท่านั้นทดลองดูว่าเอถ้าเกิดเราดุ่งแบบกระหัตแล้วจะสวยหรือไม่สวยหรือว่าสมัยนี้ก็ไปเอากางเกงไปเอาเสื้อมาใส่ดูที่เอเดี๋ยวถ้าเกิดเราสึกเปึงกระหัตแล้วจะสวยหรือไม่สวยอันนี้ยังรักษายอยู่ก่อนแต่ยอมรับว่าสวยแล้วกลับยินดีเพศอีกย่อมเป็นคนถเถริญทังวา่า ก็คื อ, อยอมรับว่าเออเป็นขดดับเนี่ยดีตกลงใจว่านี่แหละใส่ชุดเป็นขดดับนี่แหละดีแล้วแต่ว่านึกไปนึกมาอ่าเอาจีวรมาห่มดีกว่าเรายังเป็นสั ม, มเนนอยู่นี่อันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นคนรเยัสังว่าเมื่อไม่บอกกับคนอื่นเพราะว่าไม่เป็นสั ม, มเนนแล้วว่ายินดีว่าเป็นขดดับเน่ยดีแม้ในการนุ่งขาวลองดูและยอมรับ ก, ก็มีในเหมือนกันนั่นแหล และถ้านุ่งขาวทับผ้ากาสายะที่นุ่งอยู่แล้วลองดูก็ตามยอมรับก็ตามยังรักษาสมณะเพศอยู่แท้ก็คือเอาจีวร น, นั่นแหละไว้ข้างในแล้วก็นุ่งผ้าขาวทับข้างนอกดูที่ว่ามันสวยหรือไม่สวยเออตกลงมันสวยนี่แต่ว่ายังรักษาหรือว่ายังอุตส่าห์หัยังห่วงใยผ้ากาสายะอยู่ผ้ากาสายะก็อยู่ข้างในอันนี้สมณะเพศยังรักษาอยู่ก็คือยังไม่พ้นจากความเป็นสมณี แต่ว่าถ้าเกิดเอาผ้าจีวรออกไปแล้วนุ่งผ้าขาวอย่างเดียวหรือว่าไปใส่กางเกงอย่างเดียวแล้วก็ยอมรับว่าเออเพศก็ถาดจะดีสําหรับเราอันนี้ก็ขาดจากความเป็นสัมมณีนไปเลยต้องมาบวชใหม่แต่ถ้าเกิดเอาจีวรมาหม่มแล้วก็ไม่บอกคนอื่นว่าตนเองขาดจากความเป็นสัมมณีไปแล้วอันนี้ก็จัดว่าเป็นคนถยยากังว่าถ้าพระพิตรอื่นรู้ต้องให้ศึกไปกลับมาบวชอีกไม่ได้แม้แห่งทิษณีก็ในนี้แหล แม้นางพิกษุณีนั้นปรารถนาจะเป็นครหัสถ้านุ่งผ้ากาสายะอย่างเครืหัสเพื่อจะลองดูว่าเพศครหัดของเราจะสวยหรือไม่สวยอย่างรักษาอยู่ก่อนเพราะว่าเอาผ้ากาสายะมานุ่งแบบครหัสอันนี้ยังไม่เป็นอันพ้นจากความเป็นพิษณุณีถ้ายอมรับว่าสวยรักษ า, วาไว้ได้อันนี้ผ้ากาสายะเอามานุ่งแบบเครืหัด ถ้ายังไม่ตกลงใจว่าสวยหรือไม่สวยยังลังเลอยู่เอ๊ะมันจะสวยหรือไม่สวยยังรักษาอยู่ก่อนแต่ถ้าเกิดยอมรับว่าเออถ้าเราเป็นเครื่อหัดเนี่ยนุ่งแบบเนี้ยดีแล้วละ่ะเป็นเครื่อหัดอันนี้ก็พ้นจาความเป็นพิษตัวนี้ไปเลยในการนุ่งผ้าขาวลองดูและยอมรับ ก, ก็ในนี้แลส่วนผู้นุ่งขาวทับผ้าการสายะที่นุ่งอยู่แล้วจะลองดูก็ตามยอมรับ ก, ก็ตามยังรักษาอยู่แท้อันนี้ก็คล้ายกับสามเณรแต่ว่ามีแปลกันตรงที่ว่า ถ้านุ่งผ้ากาสายะอย่างคัดรหัสเพื่อจะลองดูว่าเพศกระถางของเราจะสวยหรือไม่สวยอย่างรสสา ย, ยุก่อนเราเคยังไม่ขาดจากความเป็นพิกุนีถ้ายอมรับว่าสวยขาดจากความเป็นภิกุนีเลยแม้นุ่งผ้ากาสายะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงผ้าขาวหรอกแต่ถ้าเกิดนุ่งผ้ากาสายะคือผ้าจิงวรของพิุนีไว้ข้างในแล้วก็ผ้าขาวมาห่ไว้ข้างนอก ลองดูที่ว่าสวยหรือไม่สวยแม้กระทั่งยอมรับว่าสวยแล้วก็ยังไม่ขาดจากความเป็นพิษณีเพราะว่ามีผ้ากางสายะที่ตนเองยังอุตสะหะยังห่วงใยเอาไว้ท้างในอยู่ถ้าสามเณรบางรูปบวชเมื่อแก่ไม่นับทรรษาไม่ตั้งอยู่แม้ในแถวมาทางข้างหนึ่งเมื่อก้อนข้าวในลุงใหญ่เป็นต้นซึ่งเขาเอาทัพทีตักขึ้นสอดบาเข้าไปรับ เอาไปเหมือนเหี่ยวเกี่ยวชิ้นเนื้อไปเะนั้นยังไม่เป็นคนถักสังวาสแต่เมื่อนับพรรษารับเอาจัดว่าเป็นคนถิยสังวาสามเณรเองแลเมื่อนับพรรษโกงด้วยลำดับของสามเณรรับเอาไปยังไม่จัดเป็นถิยสังวาสพิษุเมื่อนับพรรษโกงด้วยลำดับของพิสุรับเอาไป พึงปรับตามราคาแห่งพันดักก็คือถ้าได้ห้ามาศ ก, ก็กรับเป็นประดาชิดเลยถ้าไม่ได้ห้ามาศกบเป็นจุวลจใจทุกกฎตามลำดับ ก, ก็คือถ้าหนึ่งมาศกขึ้นไปถึงสี่มาศกก็เป็นจุวลจใจถ้าหนึ่งมาศกลงมาก็เป็นระบัติทุกกฎเพราะฉนั้นของสมณเณร น, นี่นะสมณเณรบางรูปมีบวญเมื่อแก่ไม่นับพรรษาไม่ตั้งหนุนแม้ในแถวมาทางข้างหนึ่ง เมื่อค้อนข้าในรุงใหญ่เป็นต้นซึ่งเท้าถ้าผิดตักขึ้นสอดบาดเข้าไปรับเอาไปเหมือนเหี่ยวเฉียวชิวนเื้อไปก็ไม่เป็นคนทยาสังวาสนี้ก็หมายถึงว่าสามมณีบางรูปก็คือบวชมะแก่แต่ว่าไปเอาผ้ามาห่มเองไม่นับพรรษาคือไม่ได้ไปเข้าแถวตามลรดรบพรรษาเขาแต่ว่ายืนนอกแถวแล้วก็สอดบาดเข้าไปรับเอาอาหารหมันก็เหี่ยวเฉียวชิ้นเนื้อนี่ไม่เป็นคนทยาสังวาสแต่เมื่อนับพรรษารับเอา จกกัดว่าเป็นคุณทยาสงว่าต่อไปคําว่าผู้เข้ารีบเดียร์ถีอันนี้ยังอยู่ในเรื่องของอภภาพาบุคคลอยู่นะอภภาพาบุคคลสิบเอ็ดประเภทจําได้ไหมอภภาพสิบเอ็ดประเภทก็หมายถึงบุคคลที่ไม่ควรจะการพิจะได้บวชบุคคลที่ไม่ควรจะการพิจะบวชก็คือบุคคลที่หนึ่งได้แต่บรรดา ทีสองอุปตโตปยัญชนกก็คือคนสองเพศบรรดา ก, กระเทยบุคคลที่สามก็คือคนทยาสังวาสนี่แหละละักความเป็นอยู่ของพิจิตรสมณีนของบรรดชิตทยาแปลว่ารักแปลว่าขโมยสังวาสหมายถึงว่าความอยู่ร่วมแล้วก็บุคคลที่สี่คือคนที่ไปเข้ารีดเดียรถีบุคคลที่ห้าเป็นเดริฉานบุคคลที่หกค น, นบุคฆามารดาบุคคลที่เจ็ด ผู้ค้าบิดาผูา 8, ผาา้คนที่แปดผู้ฆ่าพระหันคนที่เก้าก็ทำโรหิตของพระพุทธเจ้าให้ห่อคนที่สิบู้ทำสังฆเภศทำสองให้แตกกันแล้วก็บุคคลสุดท้ายที่สิบเอ็ดก็คือคนผู้ประทุษร้ายนางทิปตุนีเป็นผู้ไม่สมควรที่จะบวชการบรรพชาอุปสมบทของชนเหล่านี้ย่อมไม่ขึ้นก็คือแม้บวชเนนก็ไม่ควร สมบวรสินภาะไม่ได้อภปภาพบุคคลไม่ควรให้บวชแต่ก็หมายถึงไม่สามารถบรรลุมรรคผลด้วยก็คืออุเบกโตบยัญชนบบันดอเถยะสังวะลุริจเรถีสดเดชานแล้วก็พวกที่ทำอนันตริยกรรมห้าจุตรายสิจุณีพวกนี้นี่เป็นอภปภาพบุคคลคือไม่สมควรกับการบวชแล้วก็ ไม่สมควรคือการวิญ บ, บรรลุมรรคผลด้วยนะแต่ว่าไม่ห้ามสวรรค์บางพวกห้ามเช่นผู้ที่ทําร้ายเราเหตุพระพุทธเจ้าทําอนันตริยกรรมมีห้ามสวรรค์ไม่ต้องพูดถึงมรรคผลหรอกแต่ว่าพวกปัตระิชานี่ไม่ห้ามสวรรค์อุปโตปยญชนกบรบนดอกคนเทียบสังวัตเขาเป็นเถีพวกนี้ไม่ได้ห้ามสวรรค์ตรงนองก็มีสิบเอ็ดบุคคลที่เป็นอภัพภาคบุคคลต่อไปบุคคลที่สี่ก็คือ ผู้เข้ารีดเดรัถีความว่าบุคคลที่เข้ารีดเดรัถีเพ ร, ราะอัดวิเคราะห์ว่าหลีกไปคือเข้าไปในพวกเดรัถีเดรัถีมาจากคําว่าติถิยะติถิยะแปลว่าท่าท่าก็คือความเห็นนั่นเองถ้าเป็นอัญญะเดรัถีก็หมายถึงท่าอื่นนะก็คือพวกที่เป็นลัทธินอกพระพุทธศาสนาก็เรียกว่าเป็นอัญยะเดรัถีหมด แม้กุลบุตรนั้นก็ไม่ควรให้บรรดชาก็คือไม่ต้องบวชเป็นสมณีเลยหละแม้เรื่องนี้มีวิธิาชัยดังต่อไปนี้อุปสัมบัติพิษุ ค, คิดว่าเราจะเป็นเดรัจีหมายถึงเป็นพระพิสุพระพิสุนี่เรียกว่าอุปสมบัต์คิดว่าจะเป็นเดรถีอันนี้ก็อาจโยนิโสมนัสิการเป็นพระพิสุดีๆในชอบจะไปเป็นเดรถีทาไม แล้วไปตู่สำนักแห่งเดร์ถีเหล่านั้นทั้งเพศทีเดียวเป็นอาบัตทุกกฎทุกทุ ก, ทกย่างเท้าเลยเดินไปก้าวหนึ่งก็อาบัตทุกกฎตัวหนึง่งอีกก้าวหนึ่งก็ทุกกฎตัวหนึง่งไปเรื่อยๆพราะั้นถ้าก้าวไปถึงสำนักเดร์ถีห้าพันก้าวก็อบัตทุกกดห้าพันตัวเลยเมื่อเพศแห่งเดร์ถีนั้นสักว่าอันตนถือเอาแล้ว ย่อมจับว่าเป็นผู้เข้ารีบเดรธีอบัตทุกกฏก็หายไปหมดเลยดีไหมไม่ต้องอบัตทุกฏแต่ว่าเสื่อมสภาพก็คือเป็นผู้ที่ไม่ได้เห็นคุณในพระพุทธศาสนาพวกนี้ก็มีโอกาสที่จะไปอบายอันนี้เป็นการขาดจากพระรัตนตรัยจบกผีโทษก็คือเหมือนกับดูหมิ่นพระรัตนตรยัยไม่เห็นคุณของพระรัตนตรัยก็เลยทอดทิ้งพระรัระตนตรัยไปเข้ารีบเดรธี แม้พิกูุใดคิดว่าเราจักเป็นเดรัจฉีเอาเองจึงนุ่งผ้าคากรองเป็นต้นพิกูดนั้นย่อมเป็นผู้เข้ารีดเดรัจฉีเหมือนกันันนี้ก็มีอวบ ด, ด้วยนะเอาผ้าคากรองเนี่ยมานุ่งฝ่ายพิกูดใดเมื่อเปลือยกายอาบน้ำแลดูตนว่าการที่เราเป็นอาชีวกจากนามหรือเราจะเป็นอาชีวกดังนี้แล้วไม่ถืออา้ากาสายะ คงเปลือยกายไปตู่สานักพวกอาชีวกที่ตู่นั้นต้องอาบัตทุกกดทุกทุกย่างเท้าแต่ถ้าในระหว่างทางฮิริโอตปะเกิดขึ้นแก่เธอเธอแสดงอาบัตทุกกดแล้วย่อมพ้นก็คือยังไม่ได้ขาดจากความเป็นพระมิตุแม้ไปถึงสํานักพวกอาชีวก่านั้นแล้วถูกพวกเขาตักเตือนหรือแม้เห็นว่าปรรดาชาของชนพวกนี้เป็นทุกยิ่งนัก แล้วกลับด้วยตนเองย่อมพ้นได้เหมือนกันก็คือยังไม่ขาดจากความเป็นพระภิสษุอันหนึง่งถ้าเธอถามว่าอะไรเป็นสูงสุดแห่งบรรดชาของพวกท่านอันเขาตอบว่าการถอนผมและหนวดเป็นต้นแล้วให้ถอนแม้ผมเส้นเดียวถือวัดมีความเพียรด้วยความกระโยกเท้าเป็นต้นประดีนุ่งผ้าแววหางนกยุงเป็นต้นประดีชื่อว่าถือเพศแห่งอาชีวะเหล่านั้น หรือว่ายอมรับความเป็นลัทธิประเสริฐว่าบรรพชานี้ประเสริฐเธอย่อมไม่พ้นจัดว่าเป็นผู้เข้ารีบเดียรถ์ถีอันนี้จักเข้าอยู่ในฐานะเขาเรียกว่าฐานะอันหนักมีหกอย่างก็คืออันันตริยกรรมห้ากับการเข้ารีบเดียร์ถีหนึ่งซึ่งผู้ที่เป็นพุทธศาสนิกชนจะต้องไม่เข้าไปกระทําก็คือเป็นกรรมหนะักหกอย่าง เ้วก็ถือว่าขาดจับความประบิดุไปแล้วก็ประจำนาคมก็ขาดไปด้วยอันหนึ่งถ้าเธอเพื่อจะทดลองดูว่าการบวชเป็นเดรัจถีสำหรับเราจะงามหรือไม่งามจึงนุ่งผ้าคาครองเป็นต้นหรือว่าผูกชะดาหรือว่าฉวยหาบริหารยังไม่ยอมรับเพียงใดรับที่ย่อมคุ้มเธอไว้เพียงนั้นก็คือยังไม่ได้ยอมรับแต่ว่าเพียงแต่ทดลองเท่านั้น ครั้นเมื่อเพศตรัสว่าเธอยอมรับแล้วย่อมจัดว่าเป็นผู้เข้ารีดเดรธีส่วนภิกษุผู้มีจีวร อ, อันโจรชิงเอาไปจึงนุ่งผ้าคากรองเป็นต้นประดีถือเพศเบรธีเพราะภัยมีราชภัยเป็นต้นประดีหาจัดว่าเป็นผู้เข้ารีดเบรธีไม่เลยเพราะไม่มีลัทธิคือไม่ได้ชอบใจในลัทธิองคเขาจริงแต่ว่าจําเป็นบางสมัยนี้พวกกษัตริย์ก็นับถือพวกพราหมณ์เพราะฉะนั้นก็สั่ง ให้รงโทษพระพิกจุหรือว่าให้ทำร้ายพระพิกจุท่านพระพิกจุเลยไปถือเอาเพศพวกพราหมณ์พวกเดรัจฉีต่างๆอันนี้ไม่เป็นการจัดว่าเขาเรีดเดรัจฉีไปถือเพราะว่าเพื่อให้ต้องการพ้นภัยแต่ในอัตฉริยะกรุนทีแก้ว่าขึ้นชื่อว่าบุคคลผู้เขาเรีดเดรัจฉีนี้ท่านกล่าวด้วยอุปสัมบัติพิจุเพราะเหตุนั้นสามเณรแม้ไปตู่ติดทยายัคตนะ คือสำนักเดียรถีแล้วพร้อมทั้งเพศย่อมได้บรรดชาและอุปสมบทอีกส่วนคนถือยากสังว่าข้างต้นท่านว่าด้วยอนุสัมบันพระเหตุนั้นอุปสมบันแม้นับปัญหาโกงจะจัดว่าเป็นผู้มิใช่สมณะหามิได้เพ็กสุยังมีอุตสาหะในเพศแม้ต้องปา ร, ราชิตแล้วนับปัญหาแห่งเี็กสุเป็นต้น ก็ยังไม่จัดว่าเป็นคนเถยยะสังวาสแต่ว่าต้องเป็นสนัมเณีไปก็ได้เทียงบรราชาเท่านั้นตัวว่าต้องปฏิบัติปราชิตแล้วนี่อัตถิฐานกลันทีนะบอกวาสัมมณีแม้ไปถึงสำนักเดียร์ทีแล้วพร้อมทั้งเขตย่อมได้บรราชาและอุปสมบทอีกก็คือถ้าไปถึงสำนักเดียร์ทีแล้วกลับมาเห็นว่าค่อยบัตรเขาไม่ดีเนี่นะ บอกว่าได้บรมชาวอุปสมบทอีกส่วนคนเยรสังวาสข้างต้นท่านว่าด้วยอนุสัมพันธ์เพระาะตุนั้นอุปสมบทแม่นับพันสาโกงจะจัดว่าเป็นผู้ไม่ใช่สมณะหามิได้ตรงนี้เขาบอกว่าถ้าเป็นพระพิกจุและเป็นนับพันสาโกงไม่ได้ขาดแต่ความเป็นพระพิกจุเท่านแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ซื่อตรงเจ้าเร่นับพันสาโกงนนะ เพราะว่ายังเป็นพระพิกสุอยู่ไม่ได้ขาดจากความเป็นพระพิกสุแต่ถ้าไม่ได้เป็นพระพิกสุเป็นสัมมณีแล้วก็มนับปัญหาโกวเป็นพระพิกสุตฺต์อันนีติเป็ น, น, ปนทยสังวาสต่อไปบุคคลที่ห้าเดรรฉานเดรรฉานนี้ก็เป็นอัพภาพบุคคลคําว่าเดรัรฉานความว่าจะเป็นหน้าหรือจะเป็นสัตวิเศษผู้ใดผู้หนึ่ง มีสุบันมานพเป็นต้นสุบันก็คือพวกครุฑก็ตามทีผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งมิใช่มนุษย์ชาโดยที่สุดแม้เท้าส ก, กะเทวราชบรรดามีทั้งหมดเทียวพึงทราบว่าเป็นเดรัจฉานในอันนี้คือเดรัจฉานในที่นี้รวมหมายถึงเท้าส ก, กะเทวราชแล้วก็พวกเทวดาทั้งหลายด้วยนะเฉพาะตรงนี้นะผู้นั้นอันทิกสุดทั้งหลายไม่ควรให้อุปสมบท ไม่ควรให้บรรพชาด้วยแม้อุปสมบทแล้วก็ควรให้ตึกเสียเพราะว่าเป็นอภรรพาบุคคลเทวดาทั้งหลายนี้บวดไม่ได้นาคเนี่ก็เคยมาบวชเหมือนกันแปลงกายเป็นมนุษย์แล้วก็มาขอบวชเพราะว่าเรื่องใสในพุทธศาสน า, ศาแต่ปกติของน้าเนี่ยเวลานอนหลับก็จะกลับเพศเป็นงูไปเวลาเสพเนื้อุนเวลาที่ปฏิสนธิหรือว่าจุติผู้นี้กลับเป็นนาเพราะฉะนั้น ท่านก็เข้าไปอยู่ในกุฏิเดียวกันกับพระภิกษุรูปหนึ่งบวชเสร็จก็เข้าไปอยู่ด้วยกันก็ยังไม่นอนรู้ว่าภิกษุรูปนั้นยังไม่หลับก็ยังไม่ก้าวลงสู่ความหลับแต่พอรู้ว่าภิกษุอีกรูปหนึ่งดับไปแล้วตัวเองก็เลยปล่อยสติหลับไปพอหลับไปก็กลับเป็นงูใหญ่เต็มกุฏิเลยภิกษุอีกรูปหนึ่งตื่นขึ้นมาเห็นก็เลยร้องใหญ่ท่านก็กลับเป็นเพศของมนุษย์ก็เลยถามว่าท่านเป็นใครพอรับเป็นพยานาก็เลยพาไปฟฝ้าพระพุิเจ้าที่เจ้าก็ให้ ลาสุดขาไปก็ให้ออกไปเพราะว่าสัตรยรชาณนี้ไม่สามารถบรรลุธรรมะได้ในศาสนานี้นาคนั้นก็เสียดายก็เลยลาจากไปต่อไปบุคคลที่หกที่เป็นอภัพภาพบุคคลที่หกก็คือบุคคลที่ฆ่ามารดาเป็นต้นก็คือพวกที่ทําอนันตริยกรรมนั่นเองส่วนในบุคคลผู้ฆ่ามารดาเป็นต้นมีเนื้อความดังต่อไปนี้ มารดาผู้ให้เกิดซึ่งเป็นหญิงมนุษย์อันบุคคลใดแม้ตนเองก็เป็นชาติมนุษย์เหมือนกันแกล้งปลงเสียจากชีวิตบุคคลนี้เป็นผู้ฆ่ามารดาด้วยอนันตริยะมาตุคาตะกรรมก็คืออนันตริยกรรมที่เป็นการฆ่ามารดาบรรพชาและอุปสมบทใยบุคคลนั้นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงห้ามแล้วส่วนมารดาผู้เลี้ยงดูก็ดีก็คือมารดาเลี้ยงแม่เลี้ยง ขากดีนากนดีซึ่งไม่ใช่ผู้ให้เกิดแม้เป็นหญิงมนุษย์หรือมารดาผู้ให้เกิดแต่ไม่ใช่หญิงมนุษย์อันบุคคลใดฆ่าแล้วบรรพชาของบุคคลนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงห้ามและเขาไม่เป็นผู้มีอนันตริยกรรมมารดาผู้เป็นหญิงมนุษย์อันบุคคลใดซึ่งตนเป็นสัตว์กระฉานฆ่าแลว้วแม้บุคคลนั้นย่อมไม่เป็นผู้มีอนันตริยกรรม ต่วบรรทชาของเขาเป็นอันทรงห้ามด้วยเพราะว่าเขาเป็นสัตว์รฉานแม้ในบุคคลผู้ข่าบิดาก็ไหนนี้แหละก็ถ้าแม้บุรุษเป็นลูกหญิงแพศยาไม่ทราบว่าผู้นี้เป็นบิดาของเราเขาเกิดด้วยน้ำสมภพของชายใดหากเขาฆ่าชายนั้นแล้วย่อมนับว่าเป็นผู้ข่าบิดาเหมือนกันย่อมถูกอ น, นันตริยกรรมด้วยแม้ไม่รู้นะว่าเป็นพ่อเป็นแม่ แต่ว่าเป็กฆ่าถูกพ่อถูกแม่เข้าเจตนาฆ่ามีเพราะฉะนั้นเป็นอนันตาริยกรรมเรื่องนี้กันเรื่องแปลกว่าถ้าเกิดพ่อหรือแม่เป็นมนุษย์แต่ว่าลูกเป็นสัจจะฉานฆ่าพ่อฆ่าแม่ไม่เป็นอนันตริยกรรมหรือว่าลูกเป็นมนุษย์แต่ว่าพ่อหรือแม่เป็นเยรฉานถ้าเป็กฆ่าโดนเข้าว่าไม่เป็นอนันตริยกรรมซึ่งก็เป็นไปได้ในอดีตก็มีก็คือฤาษี ไปปัสวะแล้วก็เนื้อตัวเมียก็มาดื่มกินปัสวะนั่นก็เลยตั้งท้องออกมาจนตอนหลังคลอดเด็กออกมาก็มาบวชเป็นฤๅษีเหมือนกันนะนะอันนี้ก็มีในะอดีตลูกของกินนารีเมเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นเศษการเป็มนุษย์ก็เลยออกมาเป็นมนุษย์ตรงนี้ต่อไปบุคคลผู้ที่ฆ่าพระอาหารหันต์พึงทราบด้วยอํานาจพระอาหารหันต์ผู้เป็นมนุษย์เหมือนกันเวทีใช้ในอาหารหันตคาตะวัตุนี้พึงทราบดังนี้ว่า อันบุคคลเมื่อแกล้งปลงพระขีนาตกพุกเป็นชาติมนุษย์โดยที่สุดแม้ไม่ใช่บรรมชิตเป็นทาร ก, ก็ตามเป็นทาริกาก็ตามจากชีวิตย่อมเป็นผู้ฆ่าพระอรหันต์โดยแท้ย่อมถูกอนันตริยกรรมด้วยและบรรดาของผู้นั้นอันพระผู้มีพระภาจจาทรงห้ามส่วนบุคคลฆ่าพระอรหันต์ซึ่งม่ใช่าชาติมนุษย์หรือพระอริยบุคคลที่เหลือซึ่งเป็นชาติมนุษย์ยังไม่เป็นผู้มีอนันตริยกรรม แม้บรญดาชาของเขาก็ไม่ต้องห้ามแต่ว่ากรรมเป็นของรุนแรงเดรัจฉานแม้ฆ่าพระอรหันต์ซึ่งเป็นชาติมนุษย์ก็ไม่เป็นผู้มีอนันตริยกรรมแต่ว่าเป็นกรรมหนนะักตั้งอยู่ในฐานะกรรมหนักแต่ว่าไม่เป็นอนันตริยกรรมถ้าเป็นค่าพระอริยบุคคลที่ไม่ใช่พระอรหันต์หรืว่าค่าพระอรหันต์ที่ไม่ใช่มนุษย์จะเป็นพวกยัาเทศชั้นต่ำพวกนี้ก็ไม่เป็นอนันตริยกรรมแต่ว่าก็เป็นกรรมหนัก ผู้ใดมีจิตประทุสร้ายคิดค่ายังพระโลหิตในพระสรีระซึ่งยังทรงเระชนอยู่ของพระประธานขดเจ้าแม้พอที่มะแดงวันเล็กๆจะดื่มได้ให้ห่อขึ้นเหมือนพระเทวทัพผู้นี้ชื่อว่าผู้ําโลหิตตุบบาทบรรพชาและอุปสมบทแทนบุคคล น, นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงห้ามแล้วส่วนผู้ใดใช้มีดผ่าตัดเอาเนื้อเสียและโลหิตออกทำให้ทรงสาราญ เหมือนหมอชีวกเพื่อให้พระโรคสงบไปผู้นั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากฉนี้ผู้ใดทำพระศาสนาให้นอกทำนอกวินัยดุจพระเทวทัตทำลายสงฆ์ด้วยกรรมสี่อย่างใดอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นอปรโรกน ก, กรรมหรือว่ายติกรรมยติทุติยกรรมยติจตุจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งก็แล้วแต่ผู้นี้ชื่อว่าผู้ทำสังกัเพธก็คือแย่ ทำกรรมไม่ทำกรรมกับสงฆ์แยกไปทำอีกฝ่ายหนึ่งก็เลยกการเป็นการทำกรรมสองฝ่ายในตีมาเดียวกันเป็นการทำสังาเภศ บ, บรรพชาและอุปสมบทของผู้นั้นพระผู้มีพระพากร์เจ้าทรงห้ามแล้วอันหนึ่งบุรุษใดประทุษร้ายนางพิษุนีผู้เป็นปกตตะคือพิษุณีนั้นยังไม่ต้องประราชิกเป็นผู้ที่ยังไม่ขาดจากความเป็นพิษุนีในบรรดามรรคทั้งสามมรรค มักใดมักหนึ่งก็คือทวานหนักทวารเบาแล้วก็ปากผู้นี้ชื่อว่าภิกษุณีดูสตักบรระชาและอุปสมบทของบุรุษนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงห้ามแล้วส่วนบุรุษคนใดทำนามภิกษุณีให้ถึงศีลวินาดด้วยกายยักสังสักะคือภิกษุณีนี้แค่ยินดีในการลูกคลําจับต้องก็ต้องฟราชิตแล้วนะบรระชาและอุปสมบทของบุคคลนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ห้าม ก็คือถ้าเกิดบุรุษใดไปรูปความจับต้องนางพิชซนีพิชซนียินดีก็ขาดจากความเป็นพิชซนีไปแล้วตอนหลังก็เลยเสจเมทุนด้วยอันนี้ไม่เป็นการประทุษร้ายพิชซนีไม่เป็นพิศซนีดูสกะเพราะฉะนั้นไม่หากก้ามการบรรณาชาวกับสมบทถ้ามาบวชแม้บุรุษพูดทำนางพิชซนีให้นุ่งผ้าขาวประทุษร้ายนางผู้ไม่ยินยอมเลยทีเดียวโดยพระกาล ชือว่าพิกษุณีดูสกัตแท้ก็คือจะข่มขืนนะนะแล้วก็ให้นุ่งผ้าขาวจับเรื่องผ้าการสัญญะแล้วก็ให้นุ่งผ้าขาวซึ่งถ้าภิกษุณีนั้นยังไม่ได้ยินดีไม่ได้ยินดีที่จะนุ่งผ้าขาวนั้นก็ไม่ขาดจากความเป็นพิกษุณีนะั้นไปประทุสร้ายเตมเมถุนถ้าพิกษุณียินดีในการเศมเมถุนก็ขาดจากความเป็นพิกษุณีแต่ว่าผู้ที่ไปประทุสร้ายนามพิกษุณีนี้ก็เป็นพิสุณีดูสกัต ก็คือทำร้ายหรือว่ากลมขืนทิกษุณีก็ห้ามบวชเหมือนกันฝ่ายบุรุษผู้ทำนามภิกษุณีให้นุ่งขาวโดยธนการแล้วประตุสร้ายนางทิกษุณีผู้ยินยอมอยู่ไม่ชื่อว่าภิกษุณีดูสกัดถ้าภิกษุณียินยอมบอกว่าเอาเธอเป็นภิกษุณีนี่นเดี๋ยวแก่แล้วค่อยมาเป็นก็นแล้วกันตอนนี้ให้เสพกรามก่อนให้นุ่งพระขาวทิกษณีก็ยินยอมด้วยกหลงคารมของบุรุษคนนี้ก็ ยินยอมถ้าบุรุษคนนี้เซมีทุนด้วยก็ไม่ชื่อว่าเป็นพิกษุนีดูสการถามว่าเพราะเหตุใดตอบว่าเพราะนางพิกษุนีนั้นย่อมเป็นผู้ไม่ใช่นางพิกตุนีในเมื่อความเป็นพั้นหักมากว่าตนยอมรับ ก, ก็คือให้นุ่งผ้าขาวแล้วคือนางนุ่งผ้าขาวแล้วก็ยินยอมแล้วยินดีในการนุ่งผ้าขาวก็พ้นจากความเป็นพิกษุนีไปแล้วส่วนบุรุษวัตุสตรายนางพิกษุณีผู้เสียสิแล้วคราวเดียวนายภายหลัง และปฏิบัติผิดในนางสิกมามนาแลนสำเนรีทั้งหลายไม่จัดว่าภิกษุณีดูสกะเหมือนกันก็คือถ้านางภิกษุณีนั้นเป็นผู้เสียศีลไปแล้วก็คือต้องปฏิอาชิตไปแล้วแล้วบุรุษนี้มาเสดมีถุนซ้ำอีกอันนี้ก็ไม่จัดว่าเป็นภิกษุณีดูสกะถือว่าไปปฏิบัติผิดในนางสิกมามนาในสำเนรีก็ไม่จัดว่าเป็นภิกษุณีดูสกะย่อมได้ทั้งบรรพชาและอุปสมบท พึงทราบอาภาัพพะบุคคลสิบเอ็ดจำพวกเหล่านี้ด้วยประการชนีแหลอันนี้ก็เรื่องของการบัญชาบทบดนะว่าถ้าเป็นอาภาัพพะบุคคลสิบเอ็ดบุคคลนี้ก็ห้ามบวชทั้งบวชเนรทั้งบวชพระแหละวันนี้ก็บทดเวลาเกิดเวลาได้ซ้ําแต่ว่าก็เนื้อความก็น่าสนใจหายทานะทลายเป็นผู้ที่ศึกษาทรงจําแล้วก็รักษาพระธรรมวินัยเพื่อสืบต่อพระศาสนาเป็นปัจจัยในการแยกธรรมตนให้พ้นจากทุกข์แล้วก็เพื่อบรรลุอริยปัจธรรม ในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ